อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุสตินะซึ่งมีทั้งหมดสิบประการสีลานุสติก็นึกถึงความดีที่เคยได้ทำในอดีตนึกถึงแล้วก็เกิดความปิติจากคานุสตินึกถึงการบริจาคทานที่เคยให้นึกถึงแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นการระลึกถึงอดีตที่ดีงามนะถ้าไประ ล, ลึกถึงอดีตที่ไม่ดีงามนะนมันไม่ใช่อนุสติแล้วนะมันเป็นมิจฉาสติไปะละนะ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 อย่างเช่นมีพุทธภาษิตนะซึ่งเราอาจจะเคยได้สวดกันอยู่แต่ จ, จะไม่สังเกตนะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอันเนี้ยประโยชน์เนี้ยหมายความว่าอะไรหมคับว่าให้เราเลอกถึงความตายอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเพียรเสแต่วันนี้การทำความเพียรสยแต่วันนี้ก็คือการทาปัจจุบันให้ดีที่สุด การรารึกถึงความตายหรือมรณสตินี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเหตุว่าหนึ่งเราทุกคนต้องตายแลวก็ตายแน่ๆด้วยสองเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นในขณ ะ, ะที่เรายังมีลมหายใจนะยังมีเรื่องมีแรงยังมีกำลังวางชาก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป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 งานการในที่นี้อาจจะไม่ใช่งานทามาหากินอาจจะเป็นงานที่เป็นงานบุญงานกุศลก็ได้นะนนเช่นทอดผ้า ป, ป่าทอดกระถินเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าจูจูก็เวลาสุดท้ายก็มาถึงกระทันหันนะจะเป็นเพราะอุปัติเหตุจะเป็นเพราะโรคร้ายก็ตาม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 ทอดกระถินทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดในชนบทนะที่ธุรกันดาร น, นะวัดในเมืองมีเยอะแล้วไม่ต้องไปทําบุญมากก็ได้ท่านก็เลือกจอะจงไปทําบุญวัดในชนบทชักชวนพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานนะไปทําบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองเป็นโรคราย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 ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำหากินเป็นลำดับแรกเรื่องการหาเงินหาทองเมื่อสักประมาณยี่สาสิปีก่อนเนี่ยมีมีพิธีกรคนหนึ่งจบจากอเมริกาหน้าตาก็ดีเป็นด็อกเตอร์แล้วก็กบอกว่าประสบความสำเร็จ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 ไอ้ที่ตั้งใจ ว, ว่าจะทำยี่สิบปีแล้วจะได้มาดูแลครอบครัวรคือลูกทื่ยังเล็กเนี่ยทําไม่ได้ละแถมไอ้งานที่ตั้งใจว่าจะทำยี่สิบปีก็ทําได้แค่สิบปีแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลถ้าสามารถยืดเวลายืดอายุได้จะขอใช้เวลาที่เหลือเนี่ยสําหรับลูกสําหรับภรรยาแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่า เป็นความผิดพลาดนะในชีวิตของพิธีกรท่านนี้ซึ่งก็เป็นคนดีนะแต่ว่าจะเรียกว่าประมาทความตายก็ได้ในคิดว่าฉันกว่าจะตายคงจะหกสิบแปดสิบนะนะขอทำงานจนถึงห้าสิบก็แล้วกันนะปรากฏว่าความตายมันไม่คอยท่าอายุแค่สี่สิบมันก็มากระชากชชวิตออกไปนะบางทีเราต้อง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 ไม่สูญเปล่าสามารถจะจัดลาดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ยนะทุกน้อยลงเพราะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะการดื้อความตายทำให้เราปล่อยวางได้ในอีกลักษณะหนึ่งอีกอีกเหอีเหผลหนึ่งก็ได้นะเช่นถ้าเกิดว่าเงินหายโทรศัพท์หายนะหรือว่าเงินถูกโกงโอ้กุ้มอกกุ้มใจมาก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 เรก็แปลงนะเวลาจะสอบไลน์นะไม่ว่าจะสอบวิชาอะไรนะสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานสอบเ n t r รา c e เราเตรียมกันเต็มที่เลยนะเราเตรียมกันเป็นเดือนเลยสอบสัมภาษณ์นี่ห้สอบ Entrance นี่เตรียมกันสามี่ปีอาจจะเตรียมตั้งแต่สมัยเป็นอนุบาลดิซัมเราเตรียมตัเป็นอนุบาลเลยนะเพื่อจะสอบเเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานเราก็เตรียมนะ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 ชื่ออาร์ตบุกวอเนี่ยเป็นพวกที่เป็นนักเขียนทํานองเสยษสีแกเป็นคนนิวยอร์กแกพูดว้ประโยคนึงนะไม่รู้ว่าพูดมาเพราะว่าสะท้อนถนึงความคิดของแกหรือเพราะต้องการเสยษสีนะคน York นะิวยอร์กแขบอกตายอะไม่ยากหาที่จอดรถในนิวยอร์กนี่ยากกว่านะคนนิวยอร์กคิดแบบนี้แหละเอ้ยตายนี่ง่ายนะหาที่จอดรถในนิวยอร์กมันยาก เพราะนั้นเนี่ยช่างชีวิตหรือว่าทั้งวันก็คิดแต่เรื่องการหาที่จอดรถอันนี้ก็เป็นความประมาทดะงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เจริญรอดนัสตินะเราก็จะประมาทไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่ก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรือแมก้ก็หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้ฝึกที่จะเตรียมตัวเพื่อใช้ช่วงเราให้ดีและเพื่อที่จะเตรียมตัวเผชิญกับาวาระสุดท้าย ได้อย่างสงบนะเพราะนั้นเนี่ยการเจรดมราณาสติหรือมราณานุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรควรควรทําควรระลึกถึงอยู่เสมอแล้วมันจะช่วยทําให้เราเห็นความสําคัญการภาวนาาภาวนาที่เราคึกว่าโอมันน่าเบือ่อนจะมันจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะ